เราโกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่เด่นชันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจิงปลอมมาตามๆกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่หนทั้งอดีตปัจจุบัน อนาคตทั้งทางนิ้ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจมืวนแน่ต้องแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นอยู่หลังร้านน่ถูกของปลอมปิดไว้อย่างมิดคิดอีกด้วย จึงไม่สามารถแสดงตัวไนดะ้เพราะฉะนั้นเลวลาท่านประกาศสอนธรรมว่าสัจะทําเป็นของจริทงทงั้งๆที่ได้ยินว่าสัจะทําเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทําเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่อปลอมอยู่โดยดีเพรจิตยังไม่จริง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 เฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครัร้งพุทธการก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักศีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลําบากทุกสิ่นทุกอย่างถึง ข, ขั้นสลบทลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักศีพยานหรือเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแก่บรรดารลูกศิษย์เวลาท่านน้อยฟังแล้วเกิดความสดสังเใส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 เหมือนอย่างคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนามาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดาเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโ อ, โอ้น่าอจาจรรย์บางทีน้าตาร่วงคือสงสารท่านท่านดาเนินปฏิปทาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น บ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกถงช้างกลางคืนเสียงปุ่งปังปุ่ปังมาทัานกดทนที่ดิ์ทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่จะมีป่าไม้พวกเขาก็สักจะว่าพวกเขาใช้เฉยต้นไม้ใบหญ้าที่ใช้เกิดความชุ่มเย็น ดื่มจิตดื่มภาณาจิตในใจมันก็ไม่มีคมมันมากการประกอบความภากเพียรก็เป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อทำอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการพักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มผิดแต่พราะท่านไม่ได้สนใจกับความ เป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตถธรรมแม้จะําบากําบากยากเย็เยนเพียงไรก็ตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่เป็นเป็น ป, ปันปจจัยเครื่องอุ่นหูธาตุฉันในพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจเทเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจริงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจบาําเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีมงมไม่้ฉันจะหันก็มีเพราะไม่พราหมู่บ้านคน ไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารณ์เนี่ยเพราะเคยอดมาแล้ว น, นั่นไม่ฉันทั้งห ล, หลายวันก็เคยมาแล้วพบเพียงวันสองวันที่มาพบบ้านผู้บ้านคนเป็นี่ปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเองหมดจะปัญหาอันนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความนี้ความโหยท่านจึงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวั น, นกําหนดพิจารณาอัดพิจารณาทําไปเรื่อย ถึงที่ไหนคนจะพักก็พักคนจะนอนก็นอนไปบ้านไปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ํามีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมก็อยู่ที่นั่นเสียบา้านบางแห่งก็สามเดือนสี่เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำมัษาอะไรก็มีนี่เป็นความลาบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกับมาถานั้น รู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติาการดําเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูว่าของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาทเลยท่านนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้งจะใส่หรือเปลือกมันเขาเน่องยใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาคือว่าพระกรรมฐานท่านไม่ชันนวดชันปลาชันแต่ถั่วแตงนาเขาว่ายอย่างนั้นถั่วนาเขามีเพราะเขาทําไรมีถั่วมีงาเอามาให้ชาน ท่านไปยัางนั้นแหละท่านว่านไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็คอยจัดมาถวายเนี่ยจะลําบากแค่ไหนเราสิ่ดีการมรรคผของท่านเรื่องความภาพเพียนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นความเปลี่ยนของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผ๋าสุขอยู่ด้วยความป๋าสุขภารขาดตกบกพร่องไม่สําคั ญ, ญยิ่งกว่าการภาวนา ขอให้อนี้สมบูรณ์เป็นลําดับลำดาในยบท ต, ต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความพุทธป ฏ, ฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสันม่านเป็นต้นที่ดำเนิน ม, มายากลาบากเป็นไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่ข้อย่างยิ่งวัดต่อบรรจากษ์่ต็กมไปด้วยบิ่มบารุงบำเลอทั้งหลายให้ามาฉลาดก็าตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนั่นแหละทำมันหมอบทำหมอบ ทำจเจริญไม่ได้ตอนในกสิทธบอกถ้าเนรมางองก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเรื่องไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเรื่องตีเลทุ่งตัวเองนั่นแหละชันมากเป็นยังไงให้ชังเจตชันมากไม่ใช่เป็นของดีนี่อันนั้นกดปลอมตัวเข้ามาอันนี้ปลอมตัวเข้ามาอันนี้แต่เรื่องปลอมตัมือมีแต่เรื่องลินงองอ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทําไม่มีนี่เรามามุ่งหาอาธาัธธรรมแล้วทําเจริญไหม กอนข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากคป็นรื่งเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเครื่องกลุกปุลร่างกายที่เป็นการพอกผลวิเดียร์ทธิ์เป็นเหตุให้นอนใจขิงนั้นเจริญอัตธรรมไม่เจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วหรือการพิจารณาเอาถ้าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความสลดัดใจตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโรกว่าธรรมจมไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทําคนให้ดีเลย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 ประโยชน์ในการผลดีท่านก็ผ่อนตั้งท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่ผมหมายนัน่นมันต่างกันอย่างนี้การขันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้ครูสังเกตต้องรู้ในการแ ก, รก้กิเลสการฝึกการทรมานการทําระกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลาบากอยู่ไม่น้อยแต่การตั้งสมกิเลสนั่นเพราะกิเลสท้าให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นแ่ละ แต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจะมาทั่งถึงเห็นผลมากไปโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืืเน่องไปโดยลำดับและเพิ่มกําลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้่น่ะนอกจากเป็นผู้มีพื้นเพยอันดีมีความไข้ต่ออัตตธรรมมีแล้วก็พพยายามการส่งเสริมตัวเล็กกับการแก้กิเลสนี่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 ถึงจนกระทั่งถึงวันที่นมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กําไรเพิ่มเติมเพื่อปีโดยลําด่ำแบบจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตทีิอาไปทิ้งปปเปล่าหาประโไม่ได้เลยนั้นมีจํานวนมากม า, กายหกองร้อยจะหาทั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสารา น, นี้รู้สึกจะหายากมันใช่น้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าเราหน้าที่คนจํานวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้น โดยทีมีสาระคุณนธาจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัดทั้งทำทั้งเล็งโลกเล็งสารนี้มันหายากอย่างมากรู้แต่ปากนะจําได้แต่ปากเีย็นไปจนน้ําลายจ็ไม่มีแล้วเป็นการถังสมกิเลสต่ข้อการเีย็นเพราะความรุ่งตัวเองเกิดความยัําพันธ์ขึ้นมามาตนรู้ตนหลักเป็นนักป่าแต่เสียนั่นก็เยอะทั้งๆที่โง่เต็มตัวรืมอำนาจของกิเลสครอบไม่รู้จึกตัวมีมาก เรีว่าหาสาระภายในใจิตใจนั้นหายากเวลานี้เราจุดกำลังหาสาระสัาคัญธําหพันให้แจ็จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่นก็หมดแต่วันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี้กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันทีวิตงเราหมดไปเท่านั้นแหละแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพลี่ยนที่เราที่จะ พยายามให้ได้ตาม เ, มเวลาที่ผ่านแบบนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นพายนตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของเป็นสำคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแต่ตนเองท่านวัดสันทิฏิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเนื้ที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจากตนเอง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 พอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาตัฏฐาของมเป็นนั้นตนได้บากบั่นนั้นาจเขาดยลำ ด, ำ ด, ำดำับมีกําลังขึ้นพนาจิตใจแล้วก็เรื่องความตรอมอย่านั้นค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าสัาจธรรมเป็นของจริงอยางที่ท่านสอนไว้ในตำหนักตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะขี้เล็ดไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงน่ะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่าง กิเลสพาให้ปลอมๆได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเห็นธรรมปลอมจากสาระุรินงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสาสางตนเต็มทัศนก์กำลังความสามารถความจำปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปราากฏแต่ควมยิงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้นเนี่ย เพอมาไปถือมั่นในความทุกขันนั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตา่างครู้แจ้ชัดหนึ่งทุกขเวทนาสูขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบว่าชัดอวันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆนี่ส่วนหนึ่งของเวทนาเอาจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไร แยกแยกให้เห็นธัตตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุถ้าเกิดความ Currently, ทากุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายเราก่อนจะไม่สบายในธาตุขันธ์ต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นี่นก็เป็นชาวบ้าสมุทัทยเขาเรียกว่าสมุทยัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่ร่างกายมันมีนมสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่จิตใจมันมีคือที่เหตุ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 ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นคิดเป็นภัยนี้เป็นค่าสิทกับตนเองเราจะไปสําคัญมั่นหมายนี่ไปยึดไปเหยียบเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็ที่เดียวกับไปยึดไปมาเผาตนเองนั่นแหละยยปัญญานี่ยันเนี้ยอันหนึ่งจนกระทั่งจิตเป็นจิตร่วนๆอะไรก็จริงหมดทุกจะเคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิด ทั้งทั้งดิวิทยสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเชื้อดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพี้ยดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมด เ, เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระธาตุอันนี้จิตแต่และดวงละดวงของบุคคลแต่และคนลคนเห็นโลกเกิด ความวุ่นวายและสัมพันธายกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุนั้นก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความปวดความหงุดหงิดตันหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจรัศนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสบสายที่เดิมดับเพราะเป็นเ่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อ น, นถ้าเป็นเรื่องขอจิตเรียมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้อง ตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้คือเป็นอะไไปอยู่กับใจที่เห็นเสร็จเห็นผมเท่านั้นเองเยืเ่อนเข้ามาถึงตัวของเราเอ ง, ท, งทําไมจิตใจจึงรุ่มร้อนแล้วสํานึกสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรูปลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์ถาโรจิตใจของเราขอมีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟ กิเลสทันห า, าสะวะมีสตัติมีปัญญามีความเขียนหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของป่ามั้นเข้าห้มหอบปิดบังเท่งนั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็นใจนี่เป็น ว, วารังค์ของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีงลงเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อ กดเครื่องตอนเองเพื่อถอดถอนตอนเองจากหลุมลึกคือพิเราะอาสะวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื่นเป็นพายไปด้วยกันเท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอ่านี้เคลื่อนของปลอมของจริงธรรมทั้งหลายด้วยนิพพิจรารณา แต่ขายต้นตัเดนเอ ง, องอเขาเห็นมากถึงขันอกเพียงแค่นี้สข่งรถอะไรมายุ่งไปกินไปปิดระยะออกมาเลยลม